คือเรื่องจริยธรรมบางทีก็พูดคู่กันว่ า, าศาสนากับจริยธรรมโดยโยงเรื่องจริยธรรมไปเป็นเรื่องของาศาสนาเมื่อโยงอย่างนี้ก็ต้องบอกได้ว่าการพัฒนาความสุขนั่นแหละเป็นการพัฒนาจริยธรรมและในทางกลับกันการพัฒนาจริยธรรมก็ต้องเป็นการพัฒนาความสุขทั้งนี้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 ในขั้นต้นๆอาจมีการฝืนบ้างเหมือนในการบวกอาจมีลบบ้างแต่พอเข้าทางดีแล้วเป็นจริยธรรมแท้เป็นนักฝึกที่ก้าวหน้าก็บวกไปบวกไปของที่ร้ายก็หลุดหายไม่ต้องมัวลบเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็แจกกันไปแจกกันไปจนเต็มแล้วก็แจกออกไปให้อย่างเดียวการฝืนใจแบบที่สอง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 การพัฒนาจริยธรรมเป็นการพัฒนาความสุขอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในนี้ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละ ว, ว่าถ้าทำเหตุปัจจัยถูกต้องก็ไม่ต้องไปเรียกไปร้องธรรมชาติก็เป็นไปของมันเองท่านว่าเมื่อเกิดปีติแล้วกายใจก็เรียบรื่นผ่อนคลายไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องแม้แต่ตั้งใจปัดสธิ ก็ตามมาตามธรรมดาของธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนแม่ไก่อยากเห็นลูกไก่ก็ขึ้นไปกกไข่ตามเวลาพอถึงวาระลูกไก่ก็กระทบเปลือกไข่ออกมาแต่ถ้าแม่ไก่ไม่ขึ้นไปกกไข่ถึงจะไปยืนตะโกนร้องทั้งวันที่หน้าเหลาทั้งเหนื่อยเปล่าและไข่ก็เน่าไม่ว่าลูกเต่าหรือลูกไก่ก็ไม่ออกมา